หลวงพ่อไม่ได้ใส่อังสะกันหนาวหรือวะเนี้ยต่อไปนี่ก็คงจะเข้ากลางวันคงจะร้อนกลางคืนก็คงจะเย็นต่อไปก็คงจะนั่นแหะเขา้าเขตฤดูร้อนระบัดเนี่ยเริ่มเข้าฤดูร้อนละมันเป็นเดือนมีนาแล้ววันนี้เป็นวันที่วันอังคารที่เจ็ดมีนาคมพุทธศักราช 2,560 ้าหสิบ เมื่อวานหลวงพ่อฉันจะหันเสร็จแล้วก็ได้ออกไปพบกับสถาปนิกที่มาจากกรุงเทพเป็นอาวุธสถาปนิกรุ่นอาวุโสท่านจะมาศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาพอลงเครื่องแล้วก็เขาก็นำเข้าไป ดูที่ก่อสร้างวัดป่าบัณตารจากนั้นก็ไปดูบริขารขององค์หลวงตาจากนั้นก็เข้าไปกราบสมภารเจ้าอาวาสวัดป่าบัณตารว่าตอนบ่ายสองโมงหลวงพ่อก็เลยไปพบให้แนวความคิดแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยจะเน้นหนักไปในลักษณะอย่างไรลักษณะอย่างนั้นแหะ ท่านแสดงข่นอยากจะฟังความคิดเห็นของครูบาอาจารย์ที่เป็นสิทธิ์ยาวนิสิท์ทุกรุ่นทุกรูปแบบตลอดถึงศรัทธาญาติโยมใครจะให้ความคิดเห็นเขาก็พร้อมที่จะรับฟังประฟังแล้วเขาจะไปประมวล อ, ออกแบบแต่เมื่อพุยกันเมื่อวานหลวงพ่อก็ให้ความเห็นว่าเรื่องพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ย แต่มไม่จริงอาจารย์ผู้ออกแบบท่านของงงมันกันไม่รู้จะออกแบบลักษณะอย่างไรตึรงพิพิธภัณฑ์เรื่องเจดีย์หรือาลาลายหรืออาคารก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกลักษณะอย่างไรจะเน้นหนักที่จุดไหนอย่างไรแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเรื่องปฏิปทาหรือว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ย แต่องค์หลวงตาเองท่านก็บอกที่เราเข้าไปกราบ เ, าเรียนท่านเนี่ยมีเอกสารนะไม่ใช่พูดปเปล่าๆนะลูกหลานนะมีเอกสารทั้งสองฉบับจู ก, กันหลงพ่อยไม่ใช่ว่ า, าไม่มีที่ไปที่มาเรื่องพิปิจภัณฑ์แต่ท่านก็บอกว่าท่านเห็นด้วยที่ลักษณะเป็นธรรมคำสอนระวัติตัวอย่าง ที่ท่านช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสงเคราะห์โลกจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอุปนิสัยผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษยชาติไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบมวลมนุษยชาติถ้าว่าเอาเรื่องของเราออกไปเนี่ยจะเป็นตัวอย่างอันนี้เราเห็นด้วย พอเราเป็นผูส้สงเคราะห์โลกอยู่แล้วลักษณะอย่างนั้นที่ท่านพูดนะแต่เรื่องเจดีย์พิภิตฑ์นั้นท่านไม่ได้พูดถึงแต่เราคิดว่านั่นคื อ, อ, อมันเป็นเครื่องเชิดชูบู ช, ชาในถูปพระหบุคคลคือพระหันษาวกสมควรยิ่งที่จะต้อง ส, สร้างสถูปและเจดีย์แต่ที่มาพูดเมื่อวานนีหลวงพ่อเองก็เน้นเรื่องนะเรื่องทำคาสอนขององค์หลวงตา ที่จะเกิดประโยชน์ท่านก็เห็นด้วยนะสถาปนิกอาหุโสนะั่นทงก็ควรจะมีเห็นที่อื่นๆมีแต่ประวัติหรือว่าผลงานแต่เรื่องทาคำสอนเนี่ยนี่กรรมฐานเนี่ยกูบาอาจารย์น่าจะเน้นจุดนี้ผมเห็นด้วยลักษณะอย่างนั้นแหละและจากนั้นก็คงจะสรรหา สรรหาธรรมคำสอนขององค์หลวงตาเป็นคำไหนที่ท่านพูดเกี่ยวกับทานการอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยการการสงเคราะห์กันอย่างหลวงตาสงเคราะห์โรงพิวันโรงเรียนหาทองคำเข้าค้ังหลวงนี่ยการอยู่ด้วยกันจะสงเคราะห์กันยังไงการอยู่มนุษย์เพื่อนมนุษยชาติอยู่ด้วยกันที่จะได้รับความสะดวกสบาย ถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันมีแต่ชั้นเชิงเล่เหลี่ยมเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่แข่งชิงดีชิงเด่นกันมีแต่มองดูตาเขม็งจากนั้นก็ใช้อารมณ์เป็นสัตราอาวุธนอกเหนือจากนั้นมาขนาดไม่ลงกันกันปล่อยมัดปล่อยมวยต่อไปก็ใช้ช่วยเครื่องทุ่นแรงเป็นค้อนเป็นมีดเป็นดาบปนืนจุกอาวุธยุดโทปกรณ์ เข้าไปโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงถ้าเป็นลักษณะอย่างงั้นฐานโลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันมีเมตตาต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันใครขาดเรือขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเมตตากัน ส, สงเคราะห์กันหิวห่วยเรื่องอะไรใครมือคนหนึ่งมีคนหนึ่ง จนช่วยเหลือกันอันนี้คือฐานะคือการเสียสละแต่มวลมนุษย์ชาติอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบต้องมีกฎกติกาจะอยู่แบบไม่เคารพสิทธิกันไม่ได้ต่างคนต่างามีสิทธิ์น่าจะควมีกฎกติกาอยู่ด้วยกันคือพินัยหรือกฎหมายหรือคือสินนี่แหละอันนี้ก็ควรจะมีมนุษย์อยู่ด้วยกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะแ น, นแนวความคิดยคิดยังไงที่เป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิแ น, นวความคิดออันนี้ควรที่มีสมาธิอสมาธิในแนวความการแนวความคิดอจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลอการกรองเลยสิหาเหตุผลเลยสิ อันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรม อ, อ, อันไหนเบียดเบียนตนและผู้อืนน่นเบียดเบียนตนอันไหนเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่น อ, อ, อันไหนจะทำยังไงจึงจะ เ, ออเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นต้องใช้วิปัสสนาเนะนี่ยแหละมันมีขั้นตอนเรื่องแนวความคิดนะเมื่อวานก็ได้พูดกันเรื่องอย่างนั้นแหละแต่วันนี้ก็ คณะกรรมการทางจังหวัดทังคณะกรรมการของวัดคองจะจดไปหารือกันที่บัญนตตดที่สถานีวิทยุเกี่ยวกับจะสรรหาผู้รับเหมาก่ทันหาผู้รับเหมาเรื่องเจดีพิ พ, ธพิธภัณฑ์เรื่องซาลาลายสามจุดสามจุดนี่แหละสามอาคาร แต่วันวันนี้ยังไม่ตกลงกันนะเพียงแต่หาหรือกันแต่พอเราหาข่าวก่อนหาเรือกันตอกเสาเข็มเซ็นสัญญาตอกเสาเข็มแล้วก็เซ็นสัญญาหาผู้รับบริษัทควบคุมการก่อสร้างแปบลบว่าสองเสร็จได้สองแล้วนะตอกเสาเข็มกับหาผู้รับผู้ควบคุมการก่อสร้างก็บว่าพวกควบคุมการก่อสร้างตัวนี้แนะ จะต้องสร้างปจัจจัย ด, ด้วยสร้างศาลาลายด้วยสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยเป็นผู้ช่วยสรรหากับคณะกรรมการเนี่ยจะหารือกันแต่กทีิแกลกหลวงพ่อเขคิดว่าจะให้หลวงตาในวัดของเราผู้คงแกเรียนผ่านโลกมาให้เข้าไปฟังด้วยนะแต่ไม่ให้แสดงความคิดเห็นนะครัไปฟังว่าคณะกรรมการพูดกันยังไงเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ ล่อแหลมผลประโยชน์แต่เราก็มั่นใจว่าพี่น้องของเราไม่ได้มาแสวงหากินเศษกินเลยกับพระเจดีย์ของหลวงตาทุกคนก็เชิดชูบูชายกมือท่วมหัวที่จะสร้างพระเจดีย์หลวงตาให้สำเร็จลุล่วงส่วนหาเงินคำทรัพย์สมบัติทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพหาทางอื่น แต่จุดนี้เป็นจุดสร้างบุญสร้างกุศลนะฮะไพูดกันไม่รู้กี่ครั้งก็เห็นพ้องต้องกันอย่างนั้นทั้งหมดสรุปแล้วก็คือหาหาผู้มีศรนะัทธาที่จะสร้างพระเจดีย์ลงตาถ้าว่าไม่มีศรนะัทธาอย่าเข้ามาใกล้ให้เห็นนี้ห่างๆผู้มีศรัทธาเท่านั้นจะทำเจดีย์ลงตาให้สำเร็จลูกหลวงสวยงาม นี่แหละอันนี้คอวันนี้ก็จะมีการประชุมคัดสรรหาผู้รับเหมาแต่ลูกพ่อเองกันเนี่ย อ, อยู่วงนอกแต่ถึงอย่งวงนอกก็กตามแต่ลูกพ่อเองก็อยากจะได้ผู้ที่มารับเหมาสร้างพจัจจีรีของหลวงตายอยากจะให้คณะกรรมการไปถามความในใจเลยว่าการสร้างพจัจจีรีของหลวงตาเนี่ย มีศรัทธาไหมแต่ไม่ให้ขาดทนนะทั้งนี้ทางนั้นให้ได้กําไรแต่ว่าให้ไม่ใช่ว่ามีกาไรมองเจ ด, ดีของหลวงตาเนี่ย เ, เป็นชิ้นปลาโอชา อ, อย่างนั้นไม่น่าจะมองอย่างนั้นเพราะหลวงตาทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติมามากมายเราต้ององมองดูผลงานของท่าน ท่านหาทองคําเข้าคลังหลวงท่านเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนที่ท่านช่วยประเทศชาติอายุของท่านก็มากแล้วก็ก่อนหน้านั้นท่านก็ช่วยโรงพยาบาลโรงเรียนตึกสิบชั้นให้กับโรงพยาบาลท่านก็ไม่ได้เลือกว่าคนนั้นคนนี้อญาติของผู้เจ็บผู้ก่อสร้างทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยมากเขามาได้เครื่องไม้เครื่องมือมาทําตาก็ได้ ลงตาหาเครื่องมือให้แล้วนี่แหละจงตาเป็นผู้กว้างขวางเป็นผู้มีเมตตาต่อประเทศชาติตมวลมนุษย์โลกเพราะนันการที่จะทำอะไรบูชา บ, บูชาพระคุณของท่านสักอย่างหนึ่งนะเน่อเราก็ควรจ ะ, ะไม่ว่าบริษัทไหนหลวงพ่อจะให้มีศรัทธ า, ช, า, า, า, า ช, ช่วยกันเข้ามามาช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ ไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าทางรัฐบาลไม่ว่าเอากชนไม่ว่าพ่อค้าวานิชอาจารย์ทหารตำรวจพี่ภาคสาที่เป็นสิทธาอนุสิ์ที่ได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาแล้วก็ได้เห็นผลงานของหลวงตาอยากจะให้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งน้ำใจแต่ว่าผู้ที่ลงมือก่อสร้างหรือเราทำทาด้วยความ ศรัทธาอยากจะให้มันดีที่สุดแต่เรื่องการเงินการทองก็พูดกันไม่ให้ขาดทุนกับไม่ให้เอาก่มเลจนมากเกินไปทำาดยศรัทธาฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินเอาเถอะบริษัทของเราเราทำถนนหนทางทำสะพานทำที่ไหนไหนตึกร้านบ้านช่องใหญ่โตอันนั้นเราทำให้กับทางโลกแต่อันนี้ เราทําขึ้นมาเพื่อจะให้คนมากราบมาไหว้คนทั้งหลายที่มาจากจากทุระเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธบริษัทลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทั้งปวงที่มากราบมาไหว้พระเจดีย์พระองค์หลวงตาจะอยู่นานเท่านานถ้าว่าพวกเราได้สร้างนครปฐมนครพนมนครศรีธรรมราชโดยสุเทพเชียงใหม่ ถ้าหลวงพ่อนี่ได้สร้างในสมัยนั้นถ้าเราหลวงพ่อระลึกชาติเอไปถึงนั้นได้หลวงพ่อก็คงจะคงจะภาคภูมิใจโอ้โหตายผลงานของเราเนี่ยคนเขามากราบมาไหว้ขนาดนี้เนี่แหละบุญกุศลของข้าเนี่ยจะขนาดไหนมันน่าจะภาคภูมิใจนี้ก็เหมือนกันแหะบริษัทไหนก็ตามที่ได้รับสัมปทานหรืบริษัทในการก่อสร้าง่ะ หลวงพ่อเองอยากจะให้เจ้าของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบริษัททำด้วยศรัทธาทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดินของประเทศชาติเน่าเรา เ, ราเราลึกขึ้นมาเมื่อไหรเราจะปลื้มใจถ้าว่าพวกเราทำด้วยการเงินการทองขาดมิดขาดหน่อยพอทำเข้าไปแล้วกลัวจะ ขาดทนุนมีแต่กอบโกยเอาจากพระเจดีย์หลวงตาพอทำเสร็จแล้วนะมันเหี่ยวแห้งในใจนะคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เออเราไม่อาจจะทำพอหลวงตาทำคุณให้ให้กับประเทศชาติถึงขนาดนี้ทำไม้เราจึงไปเท่ า, าทำกอบโกยเอาผลประโยชน์จนเกินไปถึงขนาดนี้นะสิ่งเหล่านี้มันมันจะมันจะฝังใจไปนานที่เดียวหลวงพ่อว่านะ นี่แหละอันนี้คืออยากจะให้พวกเราทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง, องบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อันนี้เป็นความเห็นของหลวงพ่อเป็นพระปะ่านะแต่ให้พวกเรานำไปคิดดูว่าหลวงพ่อคิดอย่างนี้พ่อทุกคนก็นมีโอกาสที่จะคิดได้ใช่ไแต่หลวงพ่อคิดอย่างนี้แต่เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อคิดแล้วก็ททำโดยศรัทธาแต่ส่วนอื่นหาเงินแต่จุดนี้หาบุญเราจะเอาบุญจุดนี้ จะฝากฝีมือไปในแผ่นดินอเพราะหลวงพ่อเคยทำมาแล้วนะเคยเคยเคยบอกมาแล้วนี่แหละอย่างผูกก้อนนะผูกก้อนพญานาคสองตัวสี่ตัวเน่ยนะพญานาคสี่ตัวขึ้นเจดีผูกก้อนนะตัวใหญ่เนะ่ยหาดูในประเทศไทยมีไหมไม่มีหรอกพญานาคทองเหลืองทองสำร็จสี่ตัวตัว หนึ่งพาวัตถุนกลางถึงห้เซนติเมตรตัวยาวอีกเป็นเลือร้อยเมตรสองตัวที่นี่ก็ เ, เห็นคุณแลมสิงหานเป็นโรงลอใหญ่โรงหนึ่งแถวเนี่ยแะแถวปทุมลาดลุมแก้วกุณแลมสิงเป็นสัทาามีฝีมือทีเนีย อา่าลงหล่อแหลมสิงเนี่ยนะก็ทำเขาก็ทำโน่นนะทํอาไอออะไรที่ใกล้น้ํามหาอาที่ใกล้ทะเลนะคุณคุณแม่สมุดอะไรที่นายยางนางยักษ์นะคุณแหลมสิงถ้าก็ไปไปทํานะเทำเขาก็ทําเก่งทําได้ดีได้สวยนะแต่ถ้าเขาเขมาออกแบบให้ดูจะมาทํา พญานาคขึ้นผูก้อนนะ่ะหลวงพ่อกัอนนะ่ะไปก็มีคุณปิยวันณหลวงพ่อชาลีหลวงพ่อสดสามสี่สามสี่ห้าตนคนก็ลมาคุยกันแต่ก็คุณตุกตาที่เป็นแฟนคุณแรมเสียงมาด้วยนะคราวนั้นนะ่ะแล้วก็รุนแรมเสียงไม่มีลูกนะเป็นหมันแต่ว่าเป็นคนที่มีน้ำใจทีเดียวละ่ะทั้งสองผัวเมียตลวงพ่อเ ค, เคยไปที่โรงหลอเขาพระพุทธรูปองค์ พ, พระ พ, พระุอุรมงคลเนี่ันะเนี่ยละ่ะรงหล่อแลมสิงห์นะภูก้อนก็ใช่บ้านเพิ่มก็ใช่ท่านทาทาแล้วก็โอ้แปลว่า ส, าสบายใจได้ฝีมือนะในการทำละเอียดละ อ, อสวยงามแต่นี่ท่านก็ว่าจ้าให้มารอพญานาคเนะ่ยท่านก็ขึ้นมาพอเขียนแบบเนะขึ้นแบบมาก็ขึ้นมาดูเราก็ถามแล้วคุณแลม เท่าไรล่ะเขาบอกเอ า, เอาผมพูดเน็ดเน็เลยแล้วหกล้านครับสี่ตัวอหกล้านสี่ตัวอตัวข้างเป็นคู่กันพญานาคคู่พวกขึ้นไปแลยครับไปขึงขึ่งครึ่งทางแล้วกัอีกตัวหนึ่งอีกอตัวนี้ก็ขึ้นไปถึงหางตอนนั้นก็เป็นหัวขึ้นไปอีกเนี่ยภูก้อนนั่นแนหะพวกเราขึ้นไปดูก็ได้นะ แั้นเราก็ถามหกหกล้านโอ้แพงเกินไปมั้งคุณแหลมะไม่แพงครับผมคิดถูกแล้วเนี่ยเพราะว่าทั้งค่าแรงทั้งค่าขนสง่งทั้งค่าอะไรประมาณนี้แหละครับท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรฮะคุณแหลมหลวงเอตุกตาหลวงพ่อก็พูดแฟนของเขาตุกตา หลวงพ่อว่าเนี่เอาสักครึ่งหนึ่งน่าจะพอว่ะพวกเราก็หาเงินหาเงินนี่แหละหาเงินค่าแรงแต่กําไรนะะี่ยคฝากไว้ในแผ่นดินรักควรลงหล่อแหลมเสียงหนึบ เ, เป็นลงหล่อใหญ่แต่ตามไม่จริงน่าจะฝากฟีมือไว้ในแผ่นดินพญานาคนีนะได้เคยทำไหมล่ะ เคยทำอยู่เคยทำที่พญานาคที่วัดโบวอนะตัวเล็กๆนะเป็นเป็นทองเหลืองเหมือนกันแต่ตัวใหญ่ๆอ่นี่ไม่เคยทำนี่แหละควรจะฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินเพอพอทำเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของไข่จะบ่าของปูก้อนก็ไม่ใช่แล้วก็เป็นคนนั้นคุณแหลมหือคุณทุกตาคิดมาเมื่อไหร่เออเนี่ยเราได้ทำบุญได้หล่อพญานาคไว้ที่วัดปากปูก้อน เป็นสมบัติของประเทศชาติคนทึกขึ้นไปขึ้นไปก็โอ้โหดูแล้วก็เหมาะสมสวยงามเอ่อครว่าท่านอาจารย์จะให้เท่าไหรล่ลระประมาณลุกตาอาจารย์ว่าเน่โอ้เอออาจารย์ว่าเนี่ยอเอาสักครึ่งหนึ่งก็น่าจะพอมั้งคุณแหลมเอะสักสามล้านโฟเกินไปจะมากรานก า, ารเอ้าเอ า, เอาคุณตุ๊กตาว่ายังไง อันนี้บอกฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินเนี่ยบุญทุกตาเออเอาก็เอ า, เอาทอีพวกเราก็ไม่มีอะไรควรจะทำบุญนั่นเอานะเนาะครับผลว่าก็เลยได้หล่อพญานาคให้มานะนะนะสวยงามให้มาผูกก้อนฝีมือของกุญแลมนั น, น, ะ น, ะนะกับทุนตุกตาฝากฝีมือไว้ในแผ่นดิน เราลึกขึ้นม า, าลึกขึ้นมาบ่ได้ผากภูมิใจก็ไม่เห็นจะยากจนเะยถ้าว่าได้รอพญานาคเข้าไปโอ้โหเป็นนี่เป็นศีลพลุงพลังอีลงตรงนางเออมันก็น่าจะคิดอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเิญงอกเงยอีกอย่างเก่าก็สองตายายอยู่ก็ไม่มีลูกอีกต่างหากนี่แหละหลวงพ่อว่าผู้ที่มาสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยนะหลวงพ่อขอต่อรอง ขอให้มีศรัทธาทําด้วยศรัทธาถ้าทําด้วยศรัทธาออกมาแล้วจะโอ้โหสุดอกสุดใจจะสวยงามนะอะมีอะไรก็พูดกันอพอจะตุปปัจจัยของหลวงตาก็มีอยู่มีอยู่พอเป็นไปได้อยู่นะก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนระดมโปรโมทขึ้นมาเมื่อไหร่หลวงพ่อเอกก็มั่นใจในบรรดาสิทธิอย่างนุสิทธิของหลวงตานี่นะ เออช่วยกันเอพี่น้องลูกหลานกนาศรัทธาญาติโยมเนอะสิทธอนุสิทธิของหลวงตาเนอะเอาละมีความจำเป็นละคขาวนีจุดนี้จุดนั้นเนอะอย่างหลวงพ่อะระดมตอกเสาเข็มนะเออลูกหลานนะเอเราแยกออกเสาเข็มใีส่วนหนึ่งนะ5 1อาต้นนะต้นละสอง0มืกว่าบาทให้ลูกหลานช่วยช่วยกันนะเนอเมือถือเสมือนว่านะ เจดีย์จะแข็งแรงขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยเสาเข็มอยู่พื้นฐานพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่มั่นคงแข็งแรงถ้าคนเราก็เหมือนกันพวกเรามีจิตใจมั่นคงแข็งแรงในจิตใจเราก็มีความสุขนะถ้าจิตใจห ล, ล่อเละล้มเหลวโลคเรศมัดความสุขไม่ได้เพราะนั้นพวกเราสร้างเสาเข็มรองรับพระเจดียของลงตาลงตาคือใครคือพระหัน เราลองรับเจดีพระหันเราก็ถือเสมือนว่าเราลงไปยืนอยู่ใต้ฐานพระเจดีปนมมือองหลวงตาก็นั่งอยู่บนศีลวงหัวศีษะของเราจากนั้นเราก็ตั้งความปรารถนาที่จะสาธุนภผู้ฆ่าเกิดมาพบใดชาติใดคขามายากจนทุกยากลำบากจิตใจอยาาจ่าได้มีพระได้เข้าไปเจ้าใดสร้างฐานพระเจดีให้กับ เพราะอาหารหันต์เรานึกขึ้นมาเมื่ อ, อไรเราก็จะไว้ใจตลอดไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราทําคุณงามความดีเนี่ยนี่ก็เหมือนกันะเหมื่อนเรามีอะไรต่อไปภายภาคหน้าอหาได้ที่ไหนเกิดมาทั้งทีชีวิตจะได้สร้างเกิดมาได้ช่างเกียนได้สร้างเจดีพระหรันพวกเราเคยไหมไม่เคยนั่นแหละเจดีพัดเจดีองหลวงตานี่แหละฮะ ตรงตาประกาศเตนะือนอ่ะตรงตาเองก็ประกาศในองค์ของท่านเองเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกเป็นอนันตการนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านทุกๆคนนะ ที่หลวงพ่อพูดนงนี้ใ่านฟังก็คือพระเจดีย์องค์หลวงตาหลวงพ่อเป็นห่วงนะ่เป็นห่วงความเป็นมาของพระเจดีย์ของหลวงตาถาว่าพวกเราเอเกิดมาทั้งทีชีวิตได้รวมกันสร้างแต่หลวงพ่อทั้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ปิดบัญชีเลยนะหลวงพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเอต้องแบ่งแบ่งทำแบ่งอยู่แบ่งกินอ แต่ไม่ทำเฉยๆหลวงพ่อตำหนินะแต่ทำจนหมดตัวจนไม่มองหน้ามองตา้ก็หลวงพ่อตำหนิอีกโง่เกินไปทำไมไม่มองดูอนาคตตัวเองลูกหลานของตนเองทำอย่างนั้นได้ยังไงพอเราอยู่ในโลกถ้าทำเสร็จแล้วออกมาบวชอย่างหลวงพอ่อเออเอาเลยทำเลยพอทำเสร็จแล้วอย่าไปอยู่ในโลกออกมาอยู่อย่างหลวงพอ่อมาบวช ปฏิบัติทำเลยพ้นทุกเลยเออนี่แหละเอหลวงพ่อเห็นด้วยแต่ว่าเราทําไปแล้วนะ่ะยังมีลูกมปหลานมีลวงตุงนางอยู่เออทําไปแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันอีเออทำโดยไม่คิดไม่อ่านอันนั้นไม่ถูกต้องนะลูกหลานนะนี่แหละการเสียสละาการทำํำบุญทําไม่ทํำเยลยหลวงพ่อตำหนิเกิดมาทั้งทีชีวิตมีทหารใส่ปากใส่ท้องตัวเอง ไม่คิดการทำบุญทำทานเฉเลยจะมีอเนกสงได้อย่างไรเกิดมาพบหน้าชาดหน้ากระทุกยากลําบากเใครจะช่วยได้ล่ะเพราะตัวเองขี้เกียจทำบุญขี้เกียจทำบุญทำทานอเนกสงบุญอเนกสงศีลอเนกสงทานไม่มีเกิดมาพบหน้าชาดหน้ากระทุกยากลําบากอันนี้เราไม่ได้พูดตามความเห็นของเรานะให้ศึกษาดูในพระไตรปิฎกศึกษาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าะมาบอกมาประกาศมาแนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอันนี้สงทานเกิดมาพบใดชาติใดไม่อดอยากอันนี้สงทานให้ผลถ้าคนขี้เกียจทําบุญทําทานนั่น่ะฮะเกิดมาพบใด้ชาติใดจะแล่นแค้นกันดานหาข้าวจะกอกหม้อ ก, ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอันนี้สงทานไม่มีฮอรับพ่อนนัตตนินะวันนี้จะพูดถึงพระจีดีก็เลย เป็นลูกติดพันไปแล้วลูกหลานนะใครจะว่าไปในช่วงนี้หลวงพ่อหายใจเข้าหายใจออกกโดยมากเป็นพระเจดีเกือบทั้งนั้นถ้าได้เซ็นสัญญาเตือนได้หลวงพ่อเออสบายใจเอามือควายหลังอยู่ห่างๆเดินรอบๆในถนนะแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อยัง แนะนำนั้นบอกนั้นกล่าวที่แสดงความคิดเหนจุดนั้นจุดนี้เยอดบ่อยๆอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนี่ยนะเออเมื่อ ใ, ในเมื่อหลวงพ่อพูดอยู่วัดป่าคานาคําน้อยก็เธอนะอ่บางทีคําใดคําหนึ่งอาจจะลับไปถึงหูพูดรับหมอก็ได้ถึงวันอั้นถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะอถ้าถึงถึงหูพูดรับหมอเออใช่หลวงพ่ออินพูดถูกว่านะเออเอาพวกเราได้ทําก่อนเข้าไปเจ้าจะามอบ ฝีมือไว้ในแผ่นดินจนะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาต่างคคมก็ต่างมีจิตใจหนักนน่นช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนะแต่ลงพ่อเนี่ยเป็นผู้หาจะตังให้จะสนับสนุนเหมือนกันนะไม่ใช่จะอยู่เฉยๆเหมือนกันนะเงินจตุปัจจัยที่ได้มาเออเอาเตรียมนะเพื่อจะถวายสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนะลับพอในท่นี้นะ